ภิกเวภิกขจิตเตจิตานุปัสสวิหรติจิตานุปัสนาสติปัฏฐานังไปดูคำแปละนะไปดูคาแปลเวทนาจิตานุปัสนา ตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามดูเวทนาตามดูจิตตามรู้เวทนาตามรู้จิตเอาสติตามรู้เอาสติตามรู้เอาสัมปชัญญะตามรู้ สติสมาธิปัญญาเป็นตัวประกอบของงานสุขเวทนาทุกเวทนาอทุก ข, ขม ส, สุขเวทนา สุขเวทน า, จ, า, า, ททนาจิตสวยอารมณ์ว่าสุขทุกเขเวทนาจิตสวยอารมณ์ว่าทุกสวยอารมณ์ก็คือจิตรับรู้จิตรับทราบจิตรับรู้จิตรับทราบจะเอาสติตามกําหนดจดจอ่อ ดูเวทนาดูจิตจอดูเวทนาจอดูจิตจอดูจิตแล้วก็จอดูเวทนาจอดศักดิ์ตะวะเวทนาก็ให้ศักแต่ว่าศักดตะวะอ่าสุขเวทนาก็ไม่ยินดีทุกขเวทนาก็ไม่ยินร้าย แต่ถ้าเราไม่มีสติกำหนจดจดจ่อดูเนี่ยโดยปกติของจิตแล้วเนี่ยสุขเวทนามันก็ยินดีทุกขเวทนามันก็ยินร้ายจิ่วสุขก็ไม่ใช่จิ่วทุกขก็ไม่ใช่อทุกขมัสสุขเวทนาที่ว่าสุขก็ไม่ใช่จิ่วทุกขก็ไม่ใช่จิตวกลางกลางกลางาากลางเบีขาวเวทนากลางกลาง จิว่าสุขก็ไม่ใช่จิว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันน้อยจิว่าสุขก็น้อยจิว่าทุกข์ก็มันน้อยอารมณ์กลางๆทุกขมสุขเวทนาละเอียดก็ไปละเอียดกว่าสุขเวทนาะเอียดกว่าทุกขเวทนาใช้สติตามรู้สติมากำกับที่จิตสติมาตั้งที่จิตเอาสติมาเป็นเครื่องมือในการฝึกจิต เราตั้งท่ากำหนดจดจอตามดูมันตามดูเห็นนะเห็นเวทนาสักถวเวทนาเห็นสุขเวทนาสักถวสุขเวทนาไม่ยินด<ม>นีนี่ตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดไอตัวยินดีกับตัวยินร้ายที่เราสติมากํากับเนี่ยามากํากับเพื่อไม่ให้มันเกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายที่ท่าเรียกว่านําอภิชฌาและโธมานัต ออกนำความดีใจนำความเสียใจออกคือสิ่งเหานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้มีสติกำกับรู้ว่าสุกกายสุกก็รู้ว่ากายสุขเวทนาทางกายจิตสุกก็รู้ว่าจิตสุขแต่ไม่ใช่เราสุข รู้ว่ามันสุขไม่ยินดีกับกับมันที่มันสุขไม่ยินร้ายกับมันที่มันที่มันทุกข์ท่านเรียกว่าเอาสติมากำหนดจดจ่อดูสักแต่ว่าเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราดูให้ชัดเจนไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเราถ้าหากเรา ถ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราอัด ต, ตามันก็โผล่ขึ้นมาความถเทถ็จที่ตัวมันก็โผล่ขึ้นมาความยึดว่ายินดีความยึดว่ายินร้ายมันก็โผล่ขึ้นมามันอยู่ในมันอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละถ้าเรายินดีมันก็รับเข้ามาถ้าเรายินร้ายมันก็ผลักออกไปมันไม่เป็นกลางกลางคำว่าเป็นกลางกลางก็คือสักทวารู้สติ สักตาวรมมีอยู่เรกว่าสักตวรมเวทนาไม่อยู่สักธวรมสุขเวทนามีอยู่สักธวรมทุกขเวทนามีอยู่สัจธรรอทุกขม ส, สุขเวทนาไม่อยู่อไม่สุขไม่ทุกข ไม่มีอามิ t h นิรามิทสังสุขข้างวาเวเดนังเวติยะมานนิรามิทซังสุขข้างเวเดนังเวติยามีติปัญนาตินิรามิทซังดุกข้างวาเวเดนังเวติยะมานนิรามิทซังดุกข้างเวเดนังเวติยามีติปะัานาติมีอามิ t h มีอามิ t h ว่ามีอมิตรก็คือความสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีอมิตรเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอย่างตาเห็นรูปอรูปดีนั่นะคืออมิตรอรูปไม่ดีอ๋อนั่นคืออมิตรตาเห็นรูปไม่มีอมิตรพระสิจากอมิตรพระสิจากอมิตรจิตสุขไม่มีอมิตรจิตทุกข์ไม่มีอมิตรนิรามิตรสร้าง ดูข้ง <c oughs> มันมีทุกกริยาการที่มีอยู่ภายในจิตของเราเพียงแตก่ก็หมดจิตย้อนมาเราก็มาทำความศึกษาดูสิ่งเหล่านี้ดูให้เห็นสักแต่ว่าไม่มันเกิดความถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะกิเลสมันคอยจะแทรกเข้ามา ยินดีมันก็แสกข้ามายินร้ายมันก็แสกข้ามาการที่เราอยู่ในท่าทีที่เราใช้สติกําหนดจดจ่อดูนั้นคืออยู่ในท่าทีของการทํางานทํางานไปจนกว่าจิตของเราในเชื่องชินอยู่กับอิริยาบถเหล่านี้เห็นสักท้าว่าเห็นจริงเป็นตัวของตัวไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิด ตัณหาไม่เกิดตัณหาเกิดก็คือกิเลสเกิดตัณหาเกิดก็คือสติไม่มีสติกำกับกําหนดจุด จ, ดจอไม่มีปัญญากํากับกําหนดจุดจบไม่รู้เท่าทันมันโมหะมันก็มาครอบอวิชชามันก็มาครอบความมืดของจิตมันก็มาครอบวิชชาอาวิชชา มันก็มาครอบความมืดของจิตโมหะมันก็มาครอบพอมันครอบแล้วมันก็ยึดอะไรนี่โอ้ดีใจโอ้เสียใจโอ้ยินดีโอ้ยินร้ายเราก็หนดมาที่จิตเราก็หนดดูให้เห็นความยินดีให้เห็นความยินร้ายนะละเอียดนะละเอียดมากทีเดียวเลยแหละลองพยายามย้อนให้ดูตามพิจารณาย้อนให้ดูให้ให้ทันมันมันละเอียด เลียดที่จิตของเราสามารถพัฒนาจิตของเราให้ฉลาดให้เร็วทันกิริยาการของเคลียร์ต่างๆทั้งปวงเหล่านี้ได้ทันได้จริงๆฝึกให้อยู่ในท่าทีที่เราทําจนจนชินจนจานิจจนจานานนี่วิธีนี้ถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างได้อย่างต่อเนื่อง ใช้สติใช้สัมผชัญญากำหนดจดจ่อได้อย่างต่อเนื่องจิตของเรามันก็ขาดช่วงขาดช่วงของตัณหาที่มันจะมาลกลำจิตของเราจิตของเราเขาเป็นอิสระถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่าทีที่เราดำริธรรมหรือกำลังดำเนินหรือกำลังทำอยู่ก็ตามวิธีนี้แหละมันจะเป็นวิธีที่จะทาให้เกิดเกิดผลตามมา เป็นวิบากเกิดผลตามมาเป็นวิบากมันจะมีผลเหล่านี้เพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาเหมือนอย่างเราเก็บสมบัติที่มันจะเพิงเกิดขึ้นตามที่เราได้ประสบพบเห็นตามที่เราได้เรามีเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมบัติเรานะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, ค, นคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติของสติของสัมผัสัญญะมากลายเป็นคุณสมบัติของใจ ปัญญากลายเป็นคุณสมบัติของใจสมาธิเป็นคุณสมบัติของใจเขาเพิ่ม <c oughs> ข, ขูนขึ้นทวีคูณขึ้นการเจริญมหารติก็คือการพิจารณาแบบวิปัสสนานั่นแหละเราสามารถเจริญบทเดียวให้จิตสงบอยู่เป็นสมถะก็ได้ก็หบทจดจอปฏิจิตจอดูปฏิจิตดูจิต คือ ด, คอดูความรู้สึกอืดูความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตของเราอยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนเราก็จับอยู่ตรงนั้นจบับมันขยับปั๊บจบับขยับปั๊บจบับขยับปั๊บจับมันเป็นคําพูดเฉยๆควาควา่าขยับปั๊บจบับขยับปั๊บจับถ้าเราไม่ใช้คําพูดเราก็ไม่ใช่ใช้คําว่าไงมันเป็นกิริยาที่มีอยู่ข้างใน S, ing, geois, ID, oh, perder, จะว่าจับหรือจะว่าจ่อหรือจะว่ารู้หรืจะว่ายังไงจะว่ากําหนดรู้ได้ทั้งหมดอืเราใช้คําพูดง่ายขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับขยับสั้นจับขยับยาวจับจับจับจับมันดิ้นไม่ดิ้นไม่เป็นเลมันมันหยุดขณะจิตของเราจับมันไม่ดิ้นมันดิ้นไม่ได้ เราบรรทกผู้รู้ผู้นี้นีจับขยาบปัจับพยับปัจับพยับปัจั บ, บจ่อเนยน้องฝึกวิธีนี้เราจะพบความสงบได้เร็วพบความเบาอกเบาใจพบความสว่างภายในใจได้เร็วถ้าเราเข้าใจมันจะยักย้ายผันเปรไปยังไงเราก็พยายาม ตามดูได้หมดคอยเกิดความรู้สึกเป็นอิสระอยู่ในตัวของตัวเราเนี่ไม่ถูกอวิชชาตันหามาครอบงํามันก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นขออย่างเดียวขอไม่ให้ตันหามันเกิดในหวัวใจของเราเพราะตันหานี่มันค่อยจ่จะแทรกเข้ามาในหวัวใจของเราแอบอวิชชาโผล่เข้ามาแล้วบดบังแล้วเมื่อตึบ๊บ เอาจิตไปใช้เอาจิตไปไหนก็นไม่รู้ละ่ะมันขยับไปกี่ขณะจิตเราก็ไม่รู้ละ่ะไม่รู้ไม่ทันไม่รู้ไม่ทันหรือเราจะทําให้ใจมันอ่อนอยู่กับอารมณ์มันเดียวที่ท่านเรียกว่าอารมณ์สมถะแล้วก็ทําจนสงบนะจนจิตมันทิ้งคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพโทด้วยเหตุที่เรากําหนดจดจอเหมือนกันกนกบเราบริโภคอาหาร บริโภคเข้าไปบริโภคเขาไปบริโภคเข้าไปก็เริ่มอิมมอ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาอิ่มอารมณ์มันอิ่มอารมณ์อิ่มจนมันไม่บริโภคอิ่มจนมันไม่ดำริคําว่าพุทโธจิตไม่ไปไหนเมื่อก่อนเราไม่ไมเราเมื่อก่อนนั้นเราดำริเราดำริเพื่อเป็นการโกให้จิตอยู่ทีนี้ในเมื่อมันอิ่มไปแล้วเราไม่ต้องดำริจิตมันอิม่มจิตมันอยู่ จิตมันไม่หิวเมื่อก่อนนั้นมันหิวหิวรูปหิวเสียงหิวเรื่องหิวเรื่องราวหิวเรื่องราวหิวอยากไปสนุกอย่างนั้นอยากไปสนุกอย่างนี้อยากคิดนึกล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามเรื่องจิตมันอยากจิตมันหิวที่พอรัป้อนรัป้อนอาหารที่เป็นธรรมเข้าไปพุธโธพุธโธพุธโธ ก็ต้องมีสติกำกับอีกขาดสติมันก็มันก็สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นฉะนั้นสติจึงเป็นตัวเด่นเป็นตัวยืนโตรงที่พระพุทธเจ้าท่านทงใช้คําว่าสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานเอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐาน เราสามารถแปลงตัวสติปลุกตัวสตินี้ตื่นรู้มากำกับอยู่กับจิตกับผู้รู้เราเราก็ดูเข้าไปผูร้รู้เอ้ยสติเอ้ยอันไหนคือผู้รู้<ม>อันไหนคือสติไม่ต้องไปแยกหรอกไม่ต้องไปแยกมันเป็นกิริยามันออกมาจากที่เดียวกันนั่นแหละสติก็เกิดจากจิตจิตก็คือจิตสติก็เกิดจากจิต สติก็เกิดจากผู้รู้สติคือความระลึกได้ความระลึกได้มันจะเป็นช่วงสั้นนั่นแหละโดยเหตุที่มันเป็นช่วงสั้นมันเลยกลายเป็นขณะจิตแยบแยบแยบแยบระลึกได้แต่มันมีธรรมะตัวอื่นประคองสามัญญาประคองประคององ่ายมันอย่างพุทธ พ, พุทธสติจรอันนันะ สมุชัญญาประคองโทมือนเราประคองพุธโทพุธโทรประคองความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวให้จิตมันอยู่ให้จิตสงบจนจิตเราอิ่มจนจิตเราทิ้งคำบริกรรมเราก็ปล่อยให้สงบทิ้งคำบริกรรมอยู่กับความสุขอยู่กับความอิ่มเ อ, อิบจิตมันกา อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธมันไม่ขยับเงยสงบเราเริ่มต้นด้วยสมถะแบบนี้อพอนั่งนานเข้าไปเราก็หัดพิจรารณาหัดพิจรารณาหัดพิจราจรณ า, ห, ราหลักมหสติปัฏฐานนี่แหละเอานี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานเราไม่ทอดทิ้งเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลเพราะนี่คือบนเส้นทางบนหนทาง บนเวทีงานบนเวทีงานอยู่แล้วทําให้ถึงทําให้มากจเจริญให้มากพาวิตาาวิตาพาลีตาทําให้มากจเจริญได้มากมันเป็นเราเดินอยู่บนเส้นทางอยู่แล้วแต่เราทํายังไม่ถึงตรงนี้แหละตา น, านา้ํำแน่หละขุดให้มถึงขุดให้มัถึงขุดยังไม่ถึงท้อใจ คุดยังไม่ถึงทอใจก็หยุดคุดยังไม่ถึงทอใจก็หยุดนแล้วมาสร้างบรรยากาศทอแท้อ่อนแอเหลวไหลทอใจบางทีหมุนก็ไปสหน่อยหนึ่งพรวดขึ้นมาแล้วท่านี้ถึกตานามเเจาะนามพรวดขึ้นมาแล้วถึกตานามเลพ <P> um!> ุ่งมาเลยและทนี้ใกล้จะทะลุแล้วใกล้จะทะลุแล้ว ดูมันทะลุไม่ทะลุมั่ช่างมันแหละเอาม อ, อยู่ตรงนั้นแหละไขมอยู่ตรงนั้นมอบอยู่ตรงนั้นแหะกบด้านอยู่ตรงนั้นแหละอใช้ความพยายามใช้ความอดใช้ความทนความเพียรความพยายามอันเดียวกันแหละเป็นคําพูดที่เกิดขึ้นจากกิริยาของจิต ข, ของโอูรู้ทั้งนั้นใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอด <c oughs> ใช้ความทนใช้ความตื่นใช้สัมปชัญญะตื่นรู้ปลุกจิตสติสัมปชัญญะมุนมันเป็นก้อนเดียวกันธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ <c oughs> มันก็อยู่ในจิตดวงเดียวนั่นหมดแต่แยกมู้นแยกนี่แยกนี่แยกนั้นสับสวนวุ่นวายหมดเจาะไปที่จิตดวงเดียวเอาลองลองดูดิลองดูดิมันขยับดิให้ทันมันมันขยับ มันจะขยับล อ, ลองพูดโธแล้วก็จอ่อออกไปดูสิพุดโธพุโทโธ <c oughs> พุทโทรเราหัดจับขณะที่แม้แต่เราตั้งใจดํารินะเรากพยายามหัดจับหัดจับหรือหัดตั้งหรือหัดกําหนดหรือหัดจอ่อและจะว่าหัดคอยนอยู่คอยมัอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งนะั้นพุดโท พุทโธพ er pues mm ุทโธจ่ออยู่อย่างนั้นจ่ออย่างเลอปับหลุดปุ๊บไปอ้าวรู้ทันเพราะอะไรเพราะเราอยู่ต่อหน้าต่อตามันหลุดไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็รู้หลุดออกหลุดไปแล้วดึงกับพื้นมาไข่ครัวให้ดีดูไปแล้วเหมือนเหมือนอะไรอะดูไปแล้วเหมือนอะไรกิริยธทํางานนี้ มันเป็นกิริยาที่ดูไปแล้วเหมือนอะไรทำอยู่คนเดียวเหมือนอะไรเรามาดูดิเหมือนเหมือนกําลังทดสอบกําลังทดลองกาลังค้นคว้ากําลังจดจอ่อกําลังง้วนกับงานมันจะคืออะไรก็ช่างมันน่ขอให้มันได้งานตรงนี้ขยับเวลาให้มันได้จากน้อยไปหามาก จากน้อยไปหามากจากอยู่อิริยาบถ ท, ที่เราทําความเพียรจนไม่อยู่ในอิริยาบถความเพียรยืนก็สามารถทําได้เดินก็สามารถทําได้นั่ง น, นอนก็สามารถทําได้อยู่ในอิริยาบถใดสามารถทําได้นี่แสดงว่ามีอาวุธติดอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วติดไม้ติดมืออยู่ตลอดแล้วทุกอิริยาบถ นี่สติคุณภาพของสติคุณค่าของสติอไอ้กิริยาที่เราเห็นอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นก็คือความเปลี่ยนไ ป, ปยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความที่มันไม่นิ่งความที่มันไม่อยู่เท่าเดิมความที่มันต้องเปลี่ยนไปนั่นแหะคือกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือความไม่คงทนความต้องเปลี่ยนไปแม้แต่อารมณ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิดมันก็ต้องเปลี่ยนไป เรามองเห็นได้ยิ่งมองเห็นได้ง่ายง่ายกว่าที่เราจะมากําหนดกายกายเราก็ดูดูมาเห็นง่ายๆคือหลงจาะมาที่กายเราพับ ก, กายไหวโอ้อเป็นเพราะเราหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> กายไหวอหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะคล่องกับอารมณ์แบบไหนถู ก, กับจิตนิสัยของเราจะเอาลมจ ะ, จะเอากายมาเป็นตัวอารมณ์หรือจะเอาเวทนามาเป็นตัวอารมณ์กำหนดจดจ่อให้จิตมันอยู่หรือจะเอาจิตเจ้ามาที่จิตหรือจะนึกรำพึงถึงบทธรรมเช่นอย่าง ทุกสมุทัยนี่กำหมดรูทุกก็ย้อนไปดูสมุทัยมันพันกันไปหมดเลยงานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราคิดไปในแง่ไหนมันพันกันไปหมดมันเป็นงานของจิตมันอยู่ที่จิตดวงเดียวแต่ว่าเราประคับประคองไปไม่ถึงไหนพอเราผ่อนผ่อนสนามหลุดมือไปแล้วผ่อนผ่อนสนามหลุดมือไปแล้วไม่ต้องผจ่ออยู่กับมันตลอด ทำจนได้ทุกไอเดียาบทว่างันเถอะทำจนสามารถเอาไปใช้กับกับการกับงานได้เพราะเราจำเป็นต้องใช้การใช้งานล้างถ้วยลาา้ลางจานล้างโจกบล้างแก้วนะปัดกวาดทาอะไรก็อยู่กับสิ่งเดียวนั้นแหละเอาไปใช้กับงานกับการได้มันไม่มีเสียมีแต่ได้ปลุกตัวเองให้ตื่นรูร้ตลอดปลุกตัวเองให้ตื่นรูร้ตลอด ไอ้ตอนที่มันจะหลับมันไม่ตื่นมันมืดตึ๊บไปเลยเลย่ะมืดตึ๊บไปเลยโมหะมันมาครอบหายไปเลยจะหายไปไหนเถ่าเลยท่าลามาอีเอา๋เรื่องไหนที่มันมาดึงไปจิตมันหลงเกาะเกี่ยวกับอะไรมันเสือตอนตอนไหนบางทีด้วยเหตุที่เราขาดการกําหนดจดจ่อ สติมันอ่อนสติมันจางมันก็หลุดมาหลุดมือไปอ่อนจางหลุดมาหลุดมือไปพอหลุดไปแล้วโมหะมันครอบคือไอ้ตัวนี้มันคอยจะครอบอยู่แล้วไอ้ตัวโมหะตัวอวิชชามันคอยจะครอบในระหว่างที่เราฝืนทํางานในระหว่างที่เราฝืนทํางานอวิชชามันไม่เกิดมันเกิดวิชชาขึ้นมาแทนวิชชา คือความมืดมันไม่เกิดมันเกิดความสว่างขึ้นมาแทนความรู้ดูประหนึ่งเหมือนมันสว่างในตัวของมันความรู้ของจิตเราดูเหมือนมันสว่างมันตื่นมันไม่มืดนี่คืองานข้างในแล้วดูไปแล้วเราจะเห็นอยู่ข้างในไม่ต้องไปรัำพนงราพันว่าเห็นโน้น ون, เห็นนี้เห็นผีเห็นเปรตเห็นโน้นเห็นนั้ไม่ต้องไปดูมันละอันนั้นมันของนอก เป็ของข้างนอกแต่ถ้ามีจริตนิสัยก็ดีที่สําคัญควรเห็นก็ น, นี่แหละอารมณ์กายอารมณ์เวทนาเนี่ยอารมณ์จิตอารมณ์ธรรมคํา <c oughs> ว่าธรรมธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์อารมณ์ที่จะพึงเกิดขึ้นในจิตท่านนี้ที่เรียกธรรมารมณ์พวดชงเจ็ดเนี่ย อรยสัจสีมักมีองค์แปดอะไรที่เราประพฤติทำพันในจนิต น, นั้นเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตกําหนดได้ไหมกําหนดได้กําหนดตั้งกําหนดพิจารณากำหนดได้หมดเลยหลับห ล, ล, ล, ลับตาสิ่งนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาหลับตาสิ่งนั้นมันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นขอที่ล่วงไปแล้วมันตกกลึกเป็นสัญญาอารมณ์ กำนดกายเรากำหนดกายกายจะเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกกาหนดกายเจ่อมาดูกายแล้วก็เจ่อมาดูที่จิตย้อนไปดูสมุทัยที่จิตกาหนดทุกย้อนไปดูสมุทัยกาหนดทุกย้อนไปดูสมุทัยล้วนจะเป็นงานล้วนจะเป็นเครื่องหมาย่องมรอเพื่อจิตของเรามาอยู่เพื่อจิตของเรา ฉลาดเพื่อจิตของเราสงบตัญหามันแทรกเข้ามาไม่ได้จิตของเราสว่างรู้อยู่กับปัญญาอย่างหนึ่งสว่างรู้อยู่กับปัญญาอย่างหนึ่งเจาะรู้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของสมถะพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์เดียวตัดพิจารณาตามหลักมหสัสติ มันสามารถย้อนไปได้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปเป็นสมุทะก็ตามเป็นวิปัสสนาก็ตามไม่ต้องไปสนใจมันเกิดในใจเราดวงเดียวขอให้มันเกิดขอให้มันเกิดเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดูออกโอ้ยัก ย, ย้ายผันแปรอย่างนี้ก็ทําให้เราตามรู้อารมณ์ได้เป็นเรื่องของวิปัสสนาเห็นแจ้งตามที่อารมณ์มันกระดกกรดิ ก, ดกพลิกแผลงเห็นแจ้งเห็นแจ้ง เห็นแจ้งเห็นแจ้งคําว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งแจ้งแจ้งกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะรู้แจ้งรู้แจ้งวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งงานข้างในถ้าเราไม่ทํา เหมือนกับจิตของเราในถูกปกคลุมไปด้วยอะไรสิ่งสกรปกสรกส้มหมเต็มไปหมดมือตึบถ้าเราพยายามคลี่คลายด้วยอิริยาบทของของการของงานเหล่านี้มันเหมือนกัเป็นการมาสักมาฟอกมาขัดมาเกลา้าขัดเกลาใจของเราถ้ า, าเราไม่ทำมันเหมือนกับสวะทั้งหลายมันมาปกมาคลุม คมจิตของเรามืดมิดไปหมดล่ะไม่เห็นช่องไม่เห็นทางไม่เห็นอะไรเลยดำปืด๊ดดามืดไม่มีความสวาม่างความตื่นรู้ความรู้ตัวความตื่นไม่มีจิตของเราพลอยจะจะหลับหลับไหลหลับหลงหลับไหลหลับหลงหลงโลกนะว่าความโลกท่านกล่าหลงหลงโลกหลงโกรธ ถ้าไม่หลงมันจะไม่โกรธถ้าไม่หลงมันจะไม่โลภถ้าไม่หลงมันจะไม่ราคะตัณหาหลงโลภหลงโกรธหลงเคียดหลงเกลียดหลงราคะตัณหามันไม่รู้ตัวรู้ตัวไม่ทันถ้ารู้ตัวถ้ถาเรารู้ทันมันก็ดับเพราเรารู้ทันก็ดับโดยที่เราไม่รู้ทนันเนยมันก็ยืดไปทํางานที่จน เป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวว่มันเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยอยู่นี่เกาะอยู่นี่ยงคุยเคี่ยวอยู่เนี่มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่นี่อยู่นี่ขุดอยู่นี่ถ้าเป็นตามรูหนูนี่รูอยู่นี่รูมอยู่นี่จอบอยู่นี่แหละขยับเข้าไปตามไปเดี๋ยวก็ถึงตัวมันถึงตัวมันคืออะไรเป็นอะไร ขอให้มันถึงเถอะอ้อะาวพอสมควร